เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุสม ท, ทุกท่านอันนี้เป็นวันเสาร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ เพราะการทำบุญนี้เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของเราบุญนี้แปลว่าความสุขใจเป็นการเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ากตามมาตางกับความสุขอย่างอื่นที่นัาจะมี ความทุกข์ตามมาเสมอเพราะไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเช่นความสุขที่เกิดจากการดื่มสุรายาเมาแต่หลังจากมึนเมาแล้วก็จะไม่สามารถประคับประคองสติไม่สามารถประคับประคองการกระทำทางกายทางวาจาให้สุภาพเรียบร้อยได้ ให้ปลอดภัยได้แล้วก็จะนำไปสู่ความเสียหายต่างๆตามมาดังที่เราคงได้ยินได้ฟังขา่ขาวคราวกันอย่างเสมอเรื่องการทะเลาะวิวาทเรื่องอุบัติเหตุอุบัติพภัยที่เกิดจากการเดินสุรายาเมานี่เป็นตัวอย่างของความสุขทางโลก ที่พวกเรายังแสวงหากันอยู่พวกเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทํากันซึ่งมีอยู่สิบประการด้วยกันคือบุญความสุขใจนี้เราสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันเหมือนกับอาหารที่เรารับประทาน มีหลากหลายชนิดด้วยกันแต่ผลที่เกิดจากการรับประทานอาหารก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็คือความอิ่มท้องอิ่มกายที่จะตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราหันมาหาความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหากันด้วยการทำบุญ ซึ่งมีอยู่หลายประการด้วยกันเช่นประการที่หนึ่งก็คือทานแปลว่าการให้การให้สิ่งของที่เรามีอยู่จะมีมากมีน้อยถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าทานถ้าเป็นข้าวของเงินทองต่างๆ ก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเป็นวิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าเป็นธรรมะก็เรียกว่าธรรมทานนี่คือการให้ที่มีหลายรูปแบบด้วยกันที่เราสามารถที่จะให้ได้เมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุขใจถ้าการให้ของเรา เป็นการให้ที่บริสุทธิ์คือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับต้องให้โดยที่ไม่เรียกร้องอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเพราะถ้ามีการตอบแทนกันก็จะไม่เป็นบุญจะเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเช่นเราให้เงินเขาแล้วเขาก็ให้ของเรามาอย่างนี้ ใจของเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาไม่เหมือนกับให้ไปโดยที่ไม่รับอะไรเป็นสิ่งตอบแทนนี่คือบุญที่เกิดจากการให้ประการที่สองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ก ร, ระเวรผิดตัวแยนี ไม่พูดปลดไม่เสพสุรายาเมานี่เป็นบุญอีกประการหนึ่งถ้ารักษาศีลได้มากน้อยเทียงไรใจของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นเพียงนั้นถ้าเรารักษาศีลไม่ได้ใจของเราก็จะไม่สบาย อ, อไม่สบายใจเพราะการทําผิดศีลนี้ไม่ใช่เป็นความสุข แต่เป็นความทุกข์ใจนั่นเองถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำผิดศีลได้ใจของเราก็จะสงบก็จะมีความสุขบนอีกชนิดหนึ่งที่เราทำกันได้ก็คือภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจ การทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิหรือที่เรียกว่าสมถาภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็วิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดให้เห็นทันให้รู้ทันความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกว่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาใจของเราก็จะปล่อยวางจะไม่โลภไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่โลภไม่อยากได้อะไรก็จะไม่โกรธเพราะความโกรธนี้เกิดจากการผิดหวังนั่นเองเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราผิดหวังมีคนมาทำให้เราผิดหวังเราก็จะโกรธคนนั้นขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราไม่โลภไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่โกรธใครนี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญแบ่งความสุขให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเวลาที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศล ด้วยการตรวจน้นํานี้เป็นการแบ่งบุญที่มีอยู่ในใจของเราคือความสุขใจให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วผู้ที่ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีบุญนี่ เ, เราแบ่งบุญให้เขาเขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้เขาก็จะได้รับความสุขนี่ก็เรียกว่าบุญุทิศ บุญอีกชนิดหนึ่งก็คือการอนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นทำบุญทำความดีเราต้องควรที่จะยินดีไปกับเขาด้วยคำว่าอนุโมทนาก็คือชื่นชมยินดีไปกับการกระทำความดีของผู้อื่นเราอย่าไปคิดว่าเขากำลังแก่งแย่งชิงดีกับเราหักหน้าหักตาเรา ถ้าเขาทําความดีปล่อยเขาทําไปเถอดถึงแม้ว่าเขาจะเจริญก้าวหน้ามากกว่าเราก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่อนุมโมทนาไม่มีความชื่นชมยินดีใจของเราจะมีความรุ่มร้อนใจมีความอิจฉาฤติยามีความเกลียดความโกรธได้แต่ถ้าเราอนุมโมทนาแล้ว ความอิจฉ้าความโกรธความเกลียดก็จะไม่เกิดขึ้นเราชื่นชมยินดีกับการกระทำที่ดีของผู้อื่นหรือเราจะร่วมทำกับเขาได้ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่จะทำให้เรามีความสุขเช่นมีคนเขาไปทำบุญเราไปไม่ได้เราก็ฝากเงินไปทำบุญกับเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญ ัำแล้วใจของเราจะมีความสุขบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือเขาขาดการช่วยเหลือเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรช่วยเหลือช่วยเหลือกขาแล้วก็จะทำให้ใจของเรามีความสุข อย่างญาติโยมที่มาวัดสมมุติว่าญาติโยมเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกจกะรลกคหูโรคตาสกปรกญาติโยมจะช่วยเก็บช่วยกันทำความสะอาดอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญจะทำให้มีความสุขใจหรือเราไปที่ใดสถานที่แห่งใดที่เราเห็นว่ามันสกปร ก, กเห็นขยะลบลุงรัง ถ้าเราพอมีเวลาพอที่จะเก็บขยะใส่ถังขยะใส่ถุงได้เราทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขบ้านเมืองของเราก็จะสะอาดสะอา้านน่าดูน่าชมดีกว่าปล่อยให้นกรุงลังเต็มไปด้วยขยะเต็มไปหมดแล้วก็ใจของเราก็ไม่ได้มีความสุข ทุกครั้งที่เราเห็นขยะใจของเราก็จะมีแต่ความขยะขยแยงมีแต่ความไม่สบายอดไม่สบายใจแต่ถ้าเรายอมเสียสละทำประโยชน์ให้กับสังคม mm hmm. เห็นที่ไหนสกรปรกมีขยะ mm hmm. เราช่วยกันเก็บเอาไปทิ้งที่ควรจะทิ้งสถานที่แห่งนั้นก็จะสะอาดน่าดู ทุกครั้งที่เราเห็นสถานที่ที่สะอาดใจของเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจนี่ก็เกนี่ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นผู้ที่มีความอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไม่เบ่งไม่อวดว่าตนเองเก่งคนตนเองโตตนเองใหญ่ นี้จะทําให้ใจมีความสุขคนที่เบ่ง น, นี้มักจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะเวลาเบ่งแล้วคนอื่นเขาไม่เชื่อว่าเราใหญ่เราโตเราดีเราก็จะเกิดความชุมเฉียวเกิดความโมโหโทโ่โศแต่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่มีใครเขาว่าอะไรเราจะมีแต่คนเข้าชนเราว่า เป็นคนอ่อนน้องเป็นคนถ่อมตนทำให้เรามีความสนใจบุญหนึ่งชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอย่าวันนี้ญาติโยมกาลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ฟังแล้วใจก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกิดความสงบใจขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมา นี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นเขามีความทุกข์ใจแล้วเรารู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เขานั้นหายทุกข์ได้ถ้าเราสอนเขาแล้วเขาหายทุกข์ใจเราก็จะมีความสุข เช่นคนที่จะคิดฆ่าตัวตายแต่พอเราสอนเขาว่าการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้แต่ปัญหาอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราที่มืดบอดที่หลงอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรืออยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามที่เราอยากเราก็เกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจแล้วก็อยากจะทำลายชีวิตตนเองการทำลายชีวิตตนเองก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะใจจะไม่สงบจะไม่เย็นลงแต่กลับจะร้อนมากขึ้นไป เพราะเวลาค่าตัวตายนี้จะคิดดูก็แล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานขนาดไหนคนเราทุกคนนั้นรักชีวิตรักตัวกลัวตายตรงนั้นและเวลาที่เราฆ่าตัวเรานี้เราจะไม่ทุกข์กว่าที่เราทุกข์กับเรื่องอื่นหรือถ้าเรามีสติยั้งคิดสน่อยแเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนใจ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเริ่มนี้มันไม่แน่นอนเราไม่ควรที่จะมีความยึดมั่นถึงมั่นเราไม่ควรที่จะอยากให้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ถ้าใจของเราไม่ได้ไปยึดมั่นถึงมั่นรับรองได้ว่าเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจ เช่นถ้าเรามีคู่ครองแล้วเราอยากให้คู่ครองซื่อสัตย์กับเราอยู่กับเราก็ตลอดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือเขาตายจากเราไปเราจะทําอย่างไรถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้กับเหตุการณ์รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะอยู่ได้อย่างปกตินี่คือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเป็นเหมือนการให้น้ําดับไฟน้ําดับไฟนรกที่จะเผาผลานจิตใจของผู้ที่ไม่มีธรรมะผู้ที่มีธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ จะอยู่ในโลกเี้อย่างสงบอย่างสบายจะไม่วุ่นวายใจไปมากจนเกินไปถ้ามีธรรมะมากหรือมีเต็มที่ในหัวใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเรื่องต่างๆเลยเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะไปยึดปิดกับเรื่องต่างๆได้นั่นเองเรื่องต่างๆเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเป็นไปเปลี่ยนไป เป็นธรรมดาใจของเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจอย่างเราไม่ได้ไปทุกข์กับเรื่องของคนอื่นเวลาคนอื่นเขาเป็นอะไรเราก็ไม่วุ่นวายใจเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาแต่คนที่เราไปเกี่ยวพันด้วยไปผูกพันด้วย ไปมีความยึดติดอยู่ด้วยเราก็จะต้องวุ่นวายใจดังนั้นความวุ่นวายใจเรือความทุกข์ใจนี้เกิดจากความหลงที่ไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้แล้วก็ทาให้ทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติมาคือให้ตัดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติด อยู่ด้วยกันได้มีอะไรก็มีได้แต่ต้องพร้อมที่จะให้เขาจากไปพร้อมที่จะให้เขาเปลี่ยนไปเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรคงเส้นคงวาแม้แต่ใจของเราก็ไม่คงเส้นคงวาร่างกายของเราก็ไม่คงเส้นคงวาเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมะถ้าเราให้ธรรมะแก่ผู้รือได้ แล้วเขาเอาไปปฏิบัติได้ก็จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์หรือช่วยชีวิตของเขาไว้ได้นี่ก็จะทำให้เรามีความสุขใจส่วนบุญประการสุดท้ายก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่ในใจของเราและความสุขนี้เกิดจากการทำบุญ ส่วนความทุกข์นี้เกิดจากการอยากได้สิ่งต่างๆอยากมีข้าวมีของมีเงินมีทองอยากมีลากยุดสรรเสริญอยากมีสุขชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้แลที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเราจึงต้องพยายามตัดความอยากเหล่านี้อย่าไปอยากรวยอย่าไปอยากใหญ่อยากโตอยากมีหน้ามีตาอยากมียศมีตำแหน่ง อย่าไปอยากให้คนเขาสรรเสริญยกย่องยอนยออย่าไปอยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันสุขเดียวเดียวแล้วมันก็หมดไปแล้วเราก็ต้องหาใหม่เพราะความสุขแบบนี้ไม่ทำให้อิ่มไม่ทำให้พอแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเวลาที่ผิดหวัง เวลาที่ไม่ได้ตามความอยากเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นี้จะทุกข์ทรมานใจมากเช่นคนสูบบุหรี่ติดบุหรี่หรือติดสุราติดยาเสพติดเวลาอยากจะหนึ่งสุราสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดถ้าไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจแต่คนที่ไม่ติดไม่อยากเสพยาไม่อยากหนึ่ง ดื่มสุราไม่อยากสูดบุรีจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้เสกนี่คือความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแต่พวกเราเนื่องจากว่าเรามีความหลงครอบงำในจิตใจของเราจึงหลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นมีมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นที่ผิดไม่ใช่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องเราจึงต้องทุกอยู่ทุกวันนี้และจะทุกอยู่ต่อไปตราบใดที่เรามีความอยากกับลาบยศสรเสริศสุขเนี่ยพระพุทธเจ้านี้ท่านมีความเห็นที่ถูกต้องท่านมีตาในมีปัญญาท่านเห็นว่า ความอยากในลาบยศสารเสริญสุขนี้แลเป็นต้นเหตุของความทุกข์ภายในใจและการไม่อยากในลาบยศสารเสร่อสุกนี้แลเป็นความสุขใจและการที่จะทําให้ไม่อยากก็ต้องทําบุญชนิดต่างๆอย่างที่ได้แสดงไว้เมื่อเมื่อสักครู่นี้คือต้องทําบุญให้ทางต้องรักษาศีลต้องภาวนา ต้องบุรทิศบุญต้องอนุโมทนาบุญต้องช่วยเหลือผู้อื่นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมต้องให้ธรรมะแก่ผู้อื่นต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนี่เป็นการจะกำจัดความทุกข์ภายในใจทั้งหลายให้หมดไป ทำให้ใจนี้มีแต่ความสุขอยู่อย่างเดียวเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทําใจของท่านให้เป็นความสุขอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องไม่หดหายและไม่มีความทุกข์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยเป็นความสุขที่แท้จริงท่านจึงได้เอาความสุขนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ใดมีจิตศรัทธาแลวน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ความสุขแบบนี้เช่นเดียวกันบุญนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีลิขิ์ไม่มีการห่วงห้างที่จะเอาไปทำกัน พระพุทธเจ้าไม่สงวนลกษสิิธิ์บุญที่พระพุทธเจ้าได้ได้ค้นพบเนะพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระเมตตามีพระกรุณาต่อสรรโลกมีความห่วงใยมีความสงสารอยากจะให้พวกเรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงพวกเราจึงควรที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วพยายาม ปฏิบัติตามให้ได้เราเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนก็ได้แล้วพอเราทำไปแล้วเราเห็นความเห็นเห็นความสุขปรากฏขึ้นมาในใจเห็นความทุกข์ที่ลดน้อยถอยลงไปในใจเราก็จะมีกำลังใจที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะทำได้อย่างเต็มที่เลย เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและภาษาโลกทั้งหลายตอนต้นท่านก็ให้ทำบุญให้ทานตามอัตภาพคือมีอะไรบ้างพอจะให้ใครได้ก็ให้ไปพอให้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกมีความสุขใจจากการให้ก็เลยอยากจะให้มากขึ้นไป ก็ให้ไปมากขึ้นเมื่อมากขึ้นใจยิ่งมีความสุขมากขึ้นในที่สุดก็เลยให้หมดเลยมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ให้หมดแล้วก็ไปออกบวชไปหาที่ที่จะทําใจให้มีความสุขมากไปกว่าการให้ก็คือไปรักษาศีลไปภาวนาไปทําจิตใจให้สงบไปทําจิตใจให้ฉลาด พอจิตใจสงบจิตใจฉลาดก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปเพราะจะสามารถตัดความอยากต่างๆที่คอยหลอกล่อใจอยู่เรื่อยๆนี้ให้เบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดพอไม่มีความอยากต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว ใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาใจของพระพุทธเจ้าของพระสาวกนี้ไม่มีความอยากในลาภลดสรรเสริญสุขไม่อยากได้เงินได้ทองไม่อยากได้ตําแหน่งไม่อยากได้การสรรเสริญเยืนยอไม่อยากได้ความสุขที่เกิดจากการดูการฟังการดการลิ้มรสการสัมผัส ต, ต่างๆ เหมือนกับพวกเราพวกเรายังอยากได้ในลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่แล้วผลเป็นอย่างไรพวกเราหมดทุกข์กันหรื อ, อยังพวกเรามีแต่ความสุขหรือว่ามีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเพียงแต่เราอยู่เฉยๆนี่เราก็มีความทุกข์แล้วถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เราก็จะรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราอยู่ไม่เป็นสุขกันก็เพราะว่าใจของเรานั้นมีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้ทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็เบื่ออยากจะทำอย่างอื่นกินอาหารอย่างนี้กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เบื่ออยากจะกินอาหารอีกชนิดหนึ่ง มีแฟนคนนี้เดี๋ยวก็เบื่อแฟนคนนี้อยากจะหาแฟนคนใหม่มันมีเรื่องอยากอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามเราจะเบื่อกับสิ่งที่เรามีเสมอเพราะความอยากมันเป็นตัวสร้างความเบื่อขึ้นมาเองพอมันเบื่อแล้วมันก็ต้องอยากหาของใหม่มาทดแทนชีวิตของเราจึงมีแต่ปัญหาเพราะเราสร้างปัญหาขึ้นมานั่นเอง เวลาเราเบื่อใครเราทิ้งเขาไปเขาก็ต้องโกรธเขาก็ต้องเกลียดเราต้องอาฆาตพยาบาทเราเพราะเราไปทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเขาแล้วเราก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ได้เราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นได้ มีอะไรเราก็อยู่กับสิ่งนั้นได้เพราะใจจะไม่รู้สึกเบื่อนั่นเองใจจะรู้สึกเฉยๆจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่และจะมีความสุขกับการจากไปของสิ่งต่างๆเพราะไม่ได้อยากให้เขาอยู่ไม่ได้อยากให้เขาไปเขาอยู่ก็ได้ไปก็ได้อยู่เขาก็มีอยู่เราก็มีความสุขไป เ, ขเราก็มีความสุข พอใจไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจนั่นเองใจจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติหรือการภาวนานี้เท่านั้นการให้ทานก็ทำได้การรักษาศีลก็ช่วยได้แต่จะไม่จะไม่ทาให้ใจสงบอย่างถาวรใจจะสงบอย่างสาวนนี้จะต้องภาวนาน สมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมะถะก็คือทำใจให้นิ่งให้สงบไม่คิดไม่ปรุงแต่งด้วยอุบายของการนั่งสมาธิเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์หรือดูลมหายใจเข้าออกหรือวิธีอื่นที่เราชอบที่เราถนัด ก, ก็ได้ ตเป้าหมายก็คือเราต้องไม่ทำให้ใจเราคิดปุ่ตแต่งให้ใจเราอยู่กับอารมณ์เดียวจะอยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอยู่กับลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจจะสงบนิ่งเย็นสบายแล้วจะมีความสุขเวลาออกจากความสงบถ้าเราอยากจะรักษาความสงบต่อเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนา ไว้คอยสกัดความอยากเวลาเราอยากได้อะไรก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันไม่เที่ยมมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือตายจากเราไปเราก็จะมาต้องมาเสียใจถ้าเราคอยเตือนใจอย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะได้มาแล้วเราก็ต้องมามาทุกข์ มาต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลรักษาและมาคอยเสียอกเสียใจเวลาที่เราสูญเสียหรือเวลาที่เขาเปลี่ยนไปนี่คือการทำใจของเราให้สมบอย่างถาวรต้องทำทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสลับกันไปเวลาเวลาที่เรา เหนื่อยเราอยากจะพักใจเราก็เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบพอพักใจจนอิ่มมีความสุขมีความสบายมีกำลังที่จะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็ใช้ปัญญาต่อเวลาออกมารับรู้เห็นอะไรอยากจะได้ก็ต้องตัดเห็นอะไรโกรธก็ต้องตัดเห็นอะไรเกลียดก็ต้องตัดอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอยากได้อะไร เราต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเขาดีก็เรื่องของเขาเขาดีเราก็อย่าไปอยากได้เขาไม่ดีเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาแล้วเราจะสบายใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีแต่ความสุขใจไม่ว่าเราจะพบกับสภาพแบบใดจะพบกับคนชนิดใด ก็จะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้ถ้าเราสอนใจของเราอย่าไปรักอย่าไปชั่อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือการสร้างความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วได้นำามาเผยแผ่สั่งสอนกับพวกเราขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหาความสุขแบบนี้กัน รับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังจะไม่มีความทุกข์มาทำให้เราต้องวุ่นวายใจอีกต่อไปคือบุญทั้งสิบประการนี้เองคือหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาสีอุทิศบุญหอนุโมทนาบุญหรักใช้ผู้อื่นเจนอ่อนน้อ่อำตน แปดฟังเทศฟังธรรมาแ บ, บ่งปันธรรมะให้แก่ผู้อื่น10มีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือการสร้างความสุขให้แก่ใจถ้าพวกเราทำแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวงังและเราไม่ต้องมีเงินมีทองเราก็ทำได้ เช่นถ้าเราไม่มีเงินทําบุญทําทานเราก็ไม่ต้องทำข้อนั้นไปทานนี้มีไว้สําหรับผู้ที่มีเหลือกินเหลือใช้ส่วนผู้ที่ไม่มีเหลือกินเหลือใช้นี่ไม่ต้องทําเช่นพระภิกษุนี้ท่านไ ม, ม, ม่มีกินเหลือใช้ท่านไม่ต้องทําทานแต่ท่านทําอย่างอื่นได้ท่านรักษาศีลได้ท่านภาวนาได้ดังนั้นเราไม่ต้องวิตก ถ้าเราเป็นคนยากจนเราไม่มีเงินมีทองอย่าไปคิดว่าต้องต้องมีเงินถึงจะทำบุญได้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องทำเราก็รักษาศีลไปเลยภาวนาไปเลยดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงได้นาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบัรเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขภาะโดยทั่วหน้าการเทอ